จเจริญพรทุกท่านความจริงแล้วการปฏิบัติธรรมนะคือการที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราเป็นแต่ชื่อนะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกเราจะเป็นชาวพุทธแล้วได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจริงๆนะเราต้องลงมือปฏิบัติลงมือพัฒนาจิตใจของเราเองเพราะเป้าหมายสูงสุดหรือวัตถุประสงค Object นะ์ objective ของการ ศึกษาศาสนาพุทธก็คือทำยังไงเราจะพ้นทุกข์สิ้นเชิงจุดสูงสุดคือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงพระพุทธเจ้าสอนอยู่สองหัวข้อใหญ่ๆว่าท่านสอนเรื่องทุกข์อันหนึง่งเรื่องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงอีกอันนึง่งในบางคนก็มองว่าพระพุทธเจ้ามองโลกแง่ร้ายทไมสอนแต่เรื่องทุกข์ทำไมไม่สอนเรื่องสุข ไม่สอนเลยนะว่าสวรรค์ดีอย่างโ น, น้นพรหมโลกดีอย่างนี้นะไปอยู่กับพระเจ้าแล้วดีอย่างโน้นอย่างนี้ไม่สอนกลับมาชี้ตรงๆที่คําวำทุกคําเดียวนี่เองท่านสอนเรานะเพื่อให้เราเราไม่ใช่เด็กเล็กๆต้องเอาขนมมาหลอกท่านสอนเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยสติด้วยปัญญาเพราะนั้นไม่จําเป็นต้องหลอกเด็กว่า เอาขนมมาหลอกทำดีไว้นะ้าล้วไปขึ้นสวรรค์นนะอยู่สวรรค์อยู่กับพระเจ้าอยู่อะไรแล้วชีวิตจะมีความสุขนี่รันดอนท่านเข้มแข็งมากนะท่านกล้าหานมากท่านมุ่งเข้าตีปัญหาหลักเลยของชีวิตปัญหาหลักในชีวิตของเราก็คือความทุกข์นี่เองทุกวันนี้ที่เราต้องดิน้นรนทั้งมากมายนะ ก็เพื่ออยากจะพ้นจากความทุกข์อยากจะมีความสุขนั่นแหละดิ้นรนกันถ้าเป็นแทบตายตอนเด็กๆ ก, ก็ดิ้นรนเรียนหนังสือแข่งกันสมัยนี้ยิง่งดินหนักกว่าสมัยหลวงพ่ออีกนะสมัยหลวงพ่อเรียนหนังสือจากโรงเรียนเรียนเสร็จแล้วเวลาที่เหลือราว่างแนละ้วเราอยากไปอ่านอยากไปเรียนอยากไปเล่นอะไรเนี่ยเราทำได้เรามีเวลามายุคนี้เวลาไปเข้าโรงเรียน อาจารย์ครูสอนให้นิดๆหน่อยๆอยากจะรู้มากกว่านั้นต้องไปเรียนพิเศษในพิเศษก็ไม่มีอะไรหรอกเรียนว่าทําไงจะสอบได้มันไม่ใช่เรียนเพื่อ ย, ยกระดับคุณภาพชีวิตจริงๆหรือ ย, ยกระดับจิตปัญญาณจริงๆหรอกแต่ทุกคนเขาเรียนเราก็ต้องเรียนตามเข้าไปดิ้นรนเรียนหางเงินหนาทองไปเรียนพิเศษกันเรียเสร็จแล้วก็มาหางานทำนะจบแล้วแย่งงานเงินทํา ใครได้งานเงินเดือนเยอะๆก็ดีใจเงินเดือนน้อยๆไม่พอจะกินลําบากแย่งงานเงินทำํำหวังว่าทํางานดีๆแล้วมันจะมีความสุขจะไม่ทุกข์ได้งานแล้วมันก็ต้องแย่งตําแหน่งอกีกนะแย่งตําแหน่งจนถึงเป็นเฮดขององค์กรแนละก็ต้องรักษาตําแหน่งการแย่งตําแหน่งเนี่ยไม่ยากนะรักษาตําแหน่งยากกว่าแย่งตําแหน่งอกีก อย่างจะเป็นนายกไม่ยากหรอกแต่ไม่มีนายกตลอดการสักทียกเว้นตายคาเ ก, ก้าอี้รักษาตาแหน่งยากทุกนะมันทุกข์ทั้งนั้นเลยตอมาแก่แล้วนะเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เริ่หวังเริ่ฝันชีวิตมันมีแต่ความทุกข์นะป่วยเรื่อยเลยทำอะไรนิดนนก็ป่ยวยละฝนตกก็ป่วยแดดออกก็ป่วยอะไรก็ป่วย ก็คิดแต่ว่าทํำยังไงจะไม่ป่วยนะหาเงินมาแทบตายเลยเอาไปเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลบางที่ใช้เงินเยอะมากเลยทำงานมาทั้งชาตินะเหนื่อยมายากมาจนสู่ภาพทรุดโทรมเอาไปใจ่ายให้หมอหมดอีกเนะจ็บป่วยนานๆนั้นก็ฝ่ายฝันอีกเมื่อไหรจะตายสัทีถ้าตายจะได้จะมีความสุขเนี่ยเที่ยววิ่งหนีความทุกข์นะเที่ยวหาความสุขมาตั้งแต่เด็ก เด็กๆ ก, ก็ทุกทุกเรื่องไหนเด็กๆไม่มีสตังค์ไม่มีเงินใช้ต้องอาศัยคนอื่นเขาใช้โตขึ้นมาทำมาหากินได้มีเงินใช้แต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาใช้เงินแกแล้วมีเวลาเหลือเฟือเงินก็มีแต่ไม่มีกำลังที่จะไปหาความสุขอะไรจริงงั้นชีวิตนะมันไม่มีความสุขที่เต็มที่อิ่มสักช่วงเดียวเลย ตอเด็กๆสุขภาพดีนะภาระก็ยังไม่มากนะแต่ว่ามันไม่มีเงินต้องพึ่งคนอื่นโตขึ้นมาขนาดพวกเราเนี่ยไปทำงานมีเงินใช้ไม่มีเวลาวันๆหนึ่งนะในชีวิตแต่ละช่วงวัยนะไม่มีความสมบูรณ์เลยพอถึงเวลาามีเวลาขึ้นมาในะตอนแก่ๆมีเงินมีเวลา ไม่มีกำลังไม่มีสุขภาพที่ดีพอที่จะหาความสุขได้แล้วชีวิตทุกชั้นวัยทุกช่วงวัยนะมันไม่เต็มมันไม่อิ่มพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเพอ้อฝันเลนักปราชญ์ดีๆเขาก็เห็นเราว่าชีวิตของมนุษย์มันไม่สมบูรณ์เขาก็หลอกเอาว่าให้เราพักดีกับพระเจ้าหรือให้เราทำอย่างนูน่นทำอย่างนี้นะล้วตายไปแล้วจะดีจะมีความสุข พระทเจ้าไม่เอาอย่างนั้นเลยท่านสอนศาสตร์ที่เราจะมีความสุขตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จริงนะเราพ้นทุกเดี๋ยวนี้พ้นทุกในชีวิตนี้แหละไม่ต้องรอทุกไปก่อนแล้วก็ไปพ้นทุกเอาชาติต่อๆไปท่านไม่หลอกเด็กแต่คนที่จะกล้ า, าหารฟังธรรมะของท่านเนี่ยต้องใช้ความกล้าจริงๆกล้าเผชิญหน้า กับตัวปัญหาเผชิญหน้ากับทุกคนอื่นเขาสอนให้หนีทุกข์ให้หลบหลีกทุกข์โดยธรรมชาติของพวกเราแต่ละคนอยากจะไปให้พ้นจากทุกข์ไม่อยากเจอบางคนทําบุญก็อธิษฐานนะเจ้าพระครูจะได้เจอความทุกข์เลยความทุกข์ท่างหร่ให้อยู่ไกลๆพระเจ้ารู้ว่าเราหนีความทุกข์ไม่ได้ท่า น, นสอนให้เรารเผชิญหน้ากับมันเพราะฉะนั้นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเนี่ย เร็นสาสตร์ที่เผชิญหน้ากับความทุกข์มาเรียนรู้ความทุกข์นะแต่ถ้าหากท่านสอนแต่ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์นะแล้วท่านไม่มีทางออกให้นะต้องถือว่าท่านสอนแบบมองโลกแง่ร้ายนี่ท่านไม่ได้สอนแบบมองโลกแง่ร้ายท่านชี้ความจริงให้เห็นนะว่าชีวิตมีปัญหามีความทุกข์อยู่ทุกช่วงวัยเลยแต่ว่าท่านมีวิธีมีทางออกให้เราลําพังการชี้ปัญหานะีก็เก่งเหมือนกันนะแต่ไม่เก่งมากหรอก คนที่ชี้ทางออกจากปัญหาได้คนน้าถึงจะเก่งจริงนะอย่างเราเป็นนักบริหารนี่ไงเคยเจอไหมบางคนเวลาเข้าประชุมนะโห้ยเสนอปัญหาได้เพียบเลยนะองค์กรของเรามีปัญหาบุคคลปัญหาการเงินปัญหาโน่นปัญหานี่โ้หพูดนะยังกับอัจฉริยะเลยถ้าพอถูกถามว่าจะแก้ยังไงไม่รู้บางเรา่งี้เงานะคนแบบนี้นะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอก พระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพร้ทจ้าชี้เลยชีวิตนี้ปัญหามีปัญหาชีวิตนี้มีความทุกข์แต่ท่านมีวิธีออกให้แล้ววิธีออกเนี่ยท่านไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ท่านท้าให้หลองพิสูจน์ถ้าเรากล้าหารพอที่จะรับคำท้าคำท้าของพระพุทธเจ้าลองมาปฏิบัติดูว่าที่ท่านสอนเนี่ยจะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้จริงหรือไม่ คนที่เรียนอยวหลวงพ่อนะบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยเขาฟังซีดีอาศัยฟังซีดีไปเรื่อยๆนะบางคนเดือนหนึ่งสองเดือน3เดือนนะชีวิตเขาเปลี่ยนเขาพบว่าเหมือนเขาเกิดใหม่นะจิตใจขเขาก็เปลี่ยนไปแล้วเขาเคยทุกข์มากเขาก็เหลือทุกข์น้อยเขาเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นเคยมีชีวิตแบบไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรตอนนี้รู้แล้วว่าอยู่ไปเพื่ออะไร อยู่ไปเพื่อพัฒนาคุณภาพของจิตใจของจีวิญญาณให้สูงขึ้นให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบลำฟังจะมีร่างกายแข็งแรงสัตว์มันก็มีร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกว่าเราอีกนะหรือความเฉลียวฉล า, าดนะความเฉลียวฉล า, าดอยู่ที่สมองอายุเยอะขึ้นยังไงก็สมองเสื่อมนะไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวชี้ขาดจริงๆว่าจะพ้นจากถูกได้จริง ศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะแกเราก็ทำได้เด็กก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้นะทอมดี้อะไรทำได้หมดนะทุตเก์อะไรได้เท่านั้นนะ่ะไม่มีข้อยกเว้นอะไรหรอกศนะาสตร์แห่งการรู้ทุกมันเริ่มตั้งแต่คำว่าทุกคืคออะไรนะตรงนี้เลยอยากให้พวกเราที่ไม่เคยสนใจพระพุทธศาสนานะได้รู้สบางคำว่าทุก์ไม่ใช่ว่าอกหักเป็นทุก แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เราเคยได้ยินใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อกหักเป็นทุกข์มันหมายถึงว่าพลัดพรากจากสิ่งที่รักโลกหักเจอสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นแค่อาการปรากฏเท่านั้นเองถามว่าจริงๆอ่ะใครเกิดใครแก่ใครเจ็บใครตายถามว่าใครแก่ใครเจ็บใครตายร่างกายใช่ไหมร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย เวลาที่เจอสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักเนะี่ยใครเจอจิตของเราเป็นคนเจอใจเป็นคนเจอเจออย่างนี้ชอบเจออย่างนี้เกลียดในี่ใจเป็นคนเจอเวลาสมหวังเวลาผิดหวังเนี่ยร่างกายหรือจิตใจเป็นคนสมหวังผิดหวังนี่ส่วนของจิตใจนะความทุกข์มันอยู่สองปีกนะปีกของร่างกายก็ส่วนหนึ่งปีกของจิตใจก็อยู่ส่วนหนึ่งความ แก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นอาการปรากฏของตัวทุกข์ที่ร่างกายแสดงให้ดูนะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาความเหี่ยวแห้งใจอะไรเงี้ยขับแคนใจนะเป็นอาการของทุกข์ที่จิตแสดงให้ดนะูสิ่งที่พระพุทธเจ้าชี้ว่าเป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ไม่ใช่ตื้นต้นเนี่ยที่คนทั่วๆไปคิดสิ่งที่ท่านชี้ลงมาว่าเป็นตัวทุกข์ก็คือกายกับใจของเรานี่ เพราะนตัวทุกข์เนี่ยก็คือตัวกายกับใจนี่เองแล้วมันแสดงการปรากฏของทุกข์ยังไงร่างกายแสดงการปรากฏของทุกข์ให้ดูด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายจิตใจแสดงความปรากฏของทุกข์ให้ดูนะด้วยความผิดหวังด้วการไม่ได้อย่างใจการไม่สมหวังต่างๆแท้จริงแล้วถ้าเราไม่มีกายมันก็ไม่มีปัญหาอาการปรากฏของความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าเราไม่มีจิตมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเจอสิ่งที่ไม่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่รักหรือการไม่สมหวังนะงั้นตัวที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือตัวรูป ก, กระนามหรือกายกับใจนี่เองงั้นสิ่งที่ท่านเรียกว่าทุนะท่านสรุปอย่างนี้ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้านี้แหละคือตัวทุก ถ้าแปลตามศัพท์นะท่านบอกอุปาทานขันทั้ง5้าเป็นทุกทำไม่มีอุปาทานขันคนไทยมันได้ยินนะครับว่าอุปาทานขันหมายถึงก็เป็นขันที่ถูกยึดถึงจะทุกขันเฉยๆถ้าไม่ยึดไม่ทุกอันนี้แปลผิดนะคำว่าอุปาทานขันนะไม่ใช่แปลว่าขันที่ถูกยึดมันคือขันที่ยึดยึดได้สามารถเข้าไปยึดได้มีขันบางอย่างที่ไม่ใช่อุปาทานขันเห็จิตของพระริยบุคคลจิตพระอรหันต์นี ไม่ใช่อุปทานขันนะเราได้ยินคำว่าขันจะตกใจนะขันเป็นภาษาแครภาษาไทยแปลว่าส่วนภาษาอังกฤษ division เราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเออกมาเป็นส่วนๆส่วนของร่างกายเป็นรูปขันเป็นรูปประธรรมส่วนของจิตใจเขามีความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมีความรับรู้ทั้งหลาย แยกเป็นสองส่วนพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกนะไม่ได้สอนให้หนีทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกก็คือรูปนามกายใจนี่เองการที่เรามาคอยรู้รูปนามกายใจนั้นจะได้อะไรเราจะได้เห็นความจริงของรูปนามของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นท่านบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้น เขาลุดพ้ก็พ้นทุกเลยนะกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์แต่คนทั้งหลายไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็ไปหลงรักไปหลงกอดงูเห่าไวนะ้วันหนึ่งก็ถูกมันกัดร่างกายเนี้ยเราดูแลมันอย่างดีตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยเราดูแลร่างกายอะไรบ้างทําอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นเยอะไหมเยอะใช่ไหมตื่นมาทําอะไร แคล้างหน้าแค่ขี้ตาแต่งฟันอาบน้ํานะช่ไหมระสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเสร็จแล้วชําระสิ่งสกครกแล้วก็ทําให้สวยงามมีผมให้สวยๆนะแต่งทรงนูนทรงนีนะ้ผมตรงก็ทําให้หยิกผมหยิกก็ทําให้ตรงนะผมอ่อนๆทําให้แข็งผมแข็งทําให้อ่อนนะมีสาราพัดเลยนะ บางคนผมแข็งเพื่อทาให้นิ่มต้อนงะใช้แชมพูนี้ทําให้นิ่มคนไหนผมตรงแล้วไปทาให้หยิกบ้างมีไหมในห้องนี้มีไหมคนไหนผมหยิกแล้วไปเหยียดให้ตรงมีไหม <c oughs> ยุ่งนะนี่แค่ผมนะสินค้าที่เกี่ยวกับผมมีอะไรมัางอโอ้โหเนี่ยเอ่ยชื่อมายามากเลยมีหวีด้วยเนาะ <laughs> บางคนมีบิ๊กด้วยนะมียาย้อมผมอีกนะผมร่วงก็มียายแก้ผมร่วงอีกนะโอ้แค่ผมมันเดียวนะภาระตั้งเยอะนะ่เนื้องอนยังว่าภาระในร่างกายเยอะแค่ไหนตื่นนอนมาแนละ้วก็รับใช้ร่างกายเต็มที่เลยสารพัดที่จะปลนนิบัติมันนะเลี้ยงมันตั้งแต่ตัวเล็กๆหาข้าวให้มันกิน มันร้อนก็พาไปอาบน้ำมันหนาวหาเสื้อผ้ามาให้มันใส่มันไม่สบายพาไปหาหมอเสียเงินเสียทองเลี้ยงอย่างดีเลยเราเคยเลี้ยงใครสักคนหนึ่งไหมที่เราลักมากเราเลี้ยงอย่างดีเลยแล้ววันหนึ่งทรยศวันหนึ่งหนีเราไปเจ็บช้ำไหมคนที่ทรยศก็คือร่างกายนี้แหละเลี้ยงให้ดีเลี้ยงให้พิเศษยังไงนะถึงวันหนึ่งมันทิ้งเรา ก่อนจะทิ้งมันทําความเจ็บช้าให้เราก่อนมันแก่ให้เราดูมันเจ็บให้เราดูมันตายให้เราดูนะมันหนีเราเลี้ยงอย่างดีเลยเคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไหมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วแมวหรือหมาเราหนีไปตามตัวเมียไปะเลี้ยงหมาอย่างดีเลยะวันหนึ่งมันตามตัวเมียหายไปเลยโอ้โหเจ็บใจมันทิ้งเจ้าของอุตส่าห์ดูแลมันดีเราเลี้ยงหมายัางไม่เท่าที่เราดูแลตัวเอง แต่ตัวนี้หักหลังนะตัวนี้ทรยศร่างกายนี้เองทรยศเราจิตใจนี้ก็เหมือนกันมันมีความอยากเกิดขึ้นเราก็ดิ้นรนสนองความอยากเวลาสนองความอยากได้แล้วมีความสุขก่อนจะสนองความอยากได้เหนื่อยนะอย่างเนี้ยได้ข่าวไอโฟนหกจะออกอีกแล้วนะจะต้องไปซื้อเหนื่อยไหม ถ้าไม่ใช่ร่ำรวยมากก็เหนื่อยนะซื้อมาเราก็ต้องระวังนะคนอื่นมันเอาไปวิงว่งราหลวงพ่อเคยไปนิวยอร์กมีตึกของ Apple อยู่คนที่เขาพาไปเขาก็บอกเนี่ยมันวิ่งราวานะกระทั่งในนิวยอร์กวิงว iPhone. นะ่งเล่ i p h o n นถ้าเราใช้โทรศัพท์กิ๊กก็กกกเนี่ยมันไม่ยุ่งกับเราไม่เจ็บตัวด้วย มันเดือดล้อนทุกอย่างเลยนะอะไรที่เรามีอะไรที่เรารักนะเด็ดล้อนเวลาเราอยากได้เราก็ดิ้นรนได้มาได้มาเราก็ต้องพยายามรักษาไว้เป็นภาระทั้งหมดเลยนะอย่าเรามีบ้านใครมีบ้านของตัวเองใครเช่าอยู่ยกเมือ่อซิกมีใครเช่าบ้านอยู่ตอนนี้เช่าหอเช่าห้องฉลาด <laughs> เราเช่าบ้านอยู่ถ้าปลวกขึ้นบ้านเราทำไงแล้วก็ย้ายบ้านไอ้พวกที่ซื้อไว้ทำไงนะโอ้ลำบากวันดีคืนดีเขามาตั้งลงเผาขยะหน้าบ้านเราทำไงล่ะลำบากเนี่ยนะมันบิดปัญหานะสารพัดเลยเราอุตส่าห์ดิ้นรนแทบตายนะเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาอย่างทุ่มเททำงานซื้อบ้านมา เสแล้วบ้านมาเป็นภาระนะมาทำลายความสุขของเราไปเยอะเลยใครมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วยกเงอนเสียรู้สึกต่อไป น, นี้ไม่ต้องยกนะแล้ไม่ต้องพยักหน้ารู้สึกเสียอิสลภาพบ้างไหมนะตับในใจนะไม่ต้องสร้างคดีซึ่งไม่มีอายุความเรานะั้นเหนื่อยแทบตายเลยนะ <laughs> ดิ้นรน เพื่อสนองอะไรสนองความอยากอยากมีบ้านนะเหนื่อยแทบตายอยากมีมือถือแพงๆเหนื่อยแทบตายนะแต่พอได้มามันไม่มีความสุขจริงได้มาแป๊บเดียวนะมันจะรู้สึกอยากอย่างอื่นต่อเคยไม่อยากได้อย่างนี้แล้วก็อยากได้อันโน้นอยากได้ต่อไปเรื่อยๆนะความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุด เนี่ยเราหาความสุขมาให้จิตใจด้วยการสนองความอยากมันไปเรื่อยๆแต่เท่าไรเท่าไหรนะมันก็ไม่มีความสุขมีความสุขชาบช่วยนิดเดียวเองเดี๋ยวก็ทุกขึ้นมาแล้วนะงั้นจิตใจนะเราปลนนิบัติมันแค่ไหนนะมันก็ไม่มีความสุขจริงสมหวังแป๊บเดียวนะก็เซ็งๆไปแล้วนะอยากได้อย่างอื่นต่อใครเคยเล่นแชร์ไหมมีไหมเนะี่ไม่ต้องยกก็ได้บางที่เ้าห้ามเล่นแชร์ เล่นแช่นะเจ็บเงินตั้งนานใช่ไหมส่งไปเลยมีความสุขตอนไหนตอนเปียได้มีความสุขอยู่ชั่วแค่นั้นเองในชะ่ไหมอยากเล่นถึงวันนั้นวันที่เปียเปียเสร็จแล้วอยากเล่นต่อไหม <laughs> อยากแล้วอยากแล้ ว, ลวเหนื่อยแทบตายเลยในชะ่ไหมได้ความสุขมาแวบเดียวได้ความสุขมานิดเดียวเองแล้วก็ใจมันก็จะหิวต่อไปอีกงั้นในร่างกายเนี่ยนะเราปรนนิบัติมันสารพัดอย่าง ในจิตใจเราก็ปลนนิบัติมันสารพัดอย่างแต่มันก็หักหลังเราตลอดเวลาร่างกายมันหักหลังด้วยการแก่ด้วยการเจ็บด้วยการตายให้ดูจิตใจก็หักหลังด้วยการที่ไม่สมอยากไม่สมหวังเพราะความอยากความวางนะั้เกิดตลอดเวลาลวใจเนี่ยหิวตลอดเวลาร่างกายของเราเนี่ยหิววันหนึ่ง3าสรอบใครหิววันละหลา ย, ลายครั้งบ้างยกเมสีใครกินข้าววันละ4ี่มื้อมีไหม ในนี้มีใครกินวันหนึ่งไม่จำกัดมือ้อบางคนกินมื้อเดียวนะคือมื้อกลางวันคือตั้งแต่ตื่นจนหลับกินไปเลยๆนะมื้อเดียวแหละเนี่ยค่อยดูนะ ว, วิธีที่จะรู้ทุกนะันนะไม่ใช่นั่งกินเอาวิธีรู้ทุกก็คือคอยสังเกตเอาร่างกายเนี้ยทุกจริงหรือไม่จริง จิตใจเนี่ยกจริงหรือไม่จริงอย่างร่างกายเนี่ยหิววันหนึ่งสองครั้งสามครั้งแต่จิตเนี่ยแปลกนะจิตหิวตลอดเวลาเวลาอยู่บ้านได้ยินว่าหลวงพ่อจะมาเทศก็อยากมาฟังมาฟังได้หน่อยหนึ่งอยากจะไปทุระาละน <laughs> อยากจะไปที่อื่นต่อ ใ, ใจมันจะมีความอยากนะตลอดเวลาเลย วิ่งไปเพื่อตะครุบสิ่งนี้มาพอตะครุบสิ่งนี้มาแล้วนะก็จะเริ่มมองหาสิ่งที่จะไล่ตะครุบต่อไปนะมีแฟนก็ตะครุบมาได้นะจีบสาวมาได้นะแต่งงานแนละ้วก็เริ่มมองไปที่คนอื่นต่อนเะ่ ใ, นใจมันจะหิวไม่รู้จัจบทำยังไงเราจะพ้นจากความทุกข์ทนะุกข์ก็คืออตัวกายตัวใจเองคือตัวทุกข์ เราจะพ้นจากทุกได้ถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยคือศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะท่านสอนให้เรารู้จักตัวทุกก็คือตัวรูปนามกายใจนี่เองแล้วท่านสอนวิธีที่จะพ้นจากทุกให้เนะบื้องต้นท่านบอกว่าเรามีร่างกายอยู่แล้วแหละแต่เรานะจะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่ทุกเนี่ยไม่ได้ร่างกายเมื่อมีแล้วยังไงก็ทุก นะความทุกข์ทางร่างกายหนีไม่พ้นหนอกถ้าเรียกว่ามันเป็นวิบากนะร่างกายเนี่ยเป็นส่วนของวิบากหมายถึงเป็นผลของกรรมในอดีตเราได้ร่างกายแบบนี้มาแล้วยังไงก็ทุกขนะ์อย่างบางคนมียีนในตัวเองอยู่นะอายุถึงขนาดนี้จะต้องเป็นมะเร็งไม่ต้องโทษสิ่งอื่นเลย มีบางคนนะมีความคิดนะมีทฤษฎีว่ามะเร็งเกิดจากสิ่งแวดลอ้อมเกิดจากอาหารเกิดจากานั่นนี้นะเยอะแยะเลยแล้วเขาก็เริ่มควบคุมตัวเองนะกินแต่อาหารอย่างสุขภาพล้ว น, ลวนเลยล้วนแต่ของไม่อร่อยอะนะพวกน้ำผักป่านน้ำน่นน้านีน่นะที่เราพ่อรู้จักนะตอนนี้เป็นมะเร็งแกคงเจ็บใจรู้เงี้ยแกกิน เป็นย่างไฟแดงเป็นนานแล้วอดแทบตายเลยมันเป็นจากหลายอย่างไม่ใช่ว่าเป็นจากอาหารอย่างเดียวมันอยู่ในตัวเราบาทีมันมียีนนยีนที่มันเพี้ยนๆอยู่น้วมสะสมกันมาคนรุ่นเราเนี่ยศึรพันธุ์สูงมันดีเกินมันไม่มีการคัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติพันธุเร็วๆก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นะแล้วก็สืบลูกสืบหลานสืบทอดพันุ์เร็วๆออกไปได้นะ งั้นพวกขี้โรคเนี่ยจะเยอะขึ้นนั่นโดยกรรมพันธ์นะไม่แปลกอะไรหรอกเนี่ยมันมีกรรมนะเนีกรรมพันธุ์นะนะมีเป็นผลของกรรมเก่าทําไมเราต้องมีเกิดในครอบครัวอย่างนี้อนนี้เป็นผลของกรรมเก่างั้นมันเป็นผลของกรรมเก่าเนี่ยมันแก้ไม่ได้มันต้องรับต้องยอมรับสภาพเมื่อเรามีร่างกายแล้วร่างกายนี้ต้องหิวร่างกายนี้ต้องหนาวต้องร้อนนะ ต้องปวด อ, อปวดฉี่อะไรนเรื่องธรรมดาต้องเจ็บไข้ต้องแก่ต้องตายอันนี้เรื่องธรมงงง ร, งธรมดาเพื่อเจ้าสอนให้เรามาคอยเรียนรู้ความจริงของร่างกายนะไม่ใช่เพื่อหนีทุกทุกตัวนี้หนีไม่ได้เมื่อมีร่างกายแล้วยังไงก็แก่ยังไงก็เจ็บยังไงก็งงาตายนะเมื่อหนีมันไม่ได้ทําไงจะอยู่กับมันโดยไม่ทุกถ้าเรามามีสตินะคอยรู้ไกายบ่อยๆเห็นความจริงของร่างกายเรื่อยๆไป จะเห็นว่าร่างกายที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยจริงๆแนละ้วไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งที่มันนั่งอยู่ตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเราตัวที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราวิธีที่จะเห็นอย่างนี้ได้เนะี่ยอยู่ที่การฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องจิตของเราปกติเนี่ยจะวิ่งไหลตลอดเวลาไหลไปดูไหลไปฟังไหลไป ค, คิดนะ่วิ่งสเปสสาตลอด เราต้องมาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวภนะาษาไทยเนี่ยดีนะว่าจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวคือจิตที่มีสัมมาสมาธินั่นเองจิตที่ไม่ลืมเนื <x> ้อลืมตัวอย่างขนาดนี้อทุกคนลองยิ้มสิยิ้มหวานหวานเหมือนว่าเนี่ยปีนี้จะได้ขึ้ น, นเงินเดือนหลายขั้นยิ้มหวานเห็นร่างกายยิมม้มไหมเห็นด้วยความรู้สึกนะเห็นร่างกายยิม้มพยักหน้าสิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเห็นด้วยความรู้สึกนะ ได้หาดรู้สึกอย่างนี้ได้ๆนะสักพักเดียวเราจะเห็นเลยไอ้ตัวที่ยิ้มอยู่ไม่ใช่เราหรอกไอ้ตัวที่พยักหน้าอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะเจะเห็นด้วยใจนะจะรู้ด้วยความรู้สึกถ้ามันใจมันเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วร่างกายเป็นตัวอะไรร่างกายเป็นตัวทุกนะร่างกายนั่งอยู่ก็ทุกนั่งอยู่ทุกไหมเมื่ อ, อยังนั่งนานๆเมื่อยไหมเดินก็ทุกนะ นอนทุกไหมนอนนอนก็ทุกต้องนอนพลิกซ้ายพลิกขวาคืนนึงพลิกตั้ง20 30 40ครั้งนะบางคนนะ่ะถ้าเป็นไข้ปวดเมื่อยมากก็พลิกบ่อยนะถ้าคนทั่วทวไปนอนสัก8ชั่วโมงอะไรก็พลิกประมาณ30ครั้งนะถคนหลับลึกๆ เ, เ, เลยนะนก็พลิกน้อยหน่อยแต่มันพลิกเพราะอะไรเพราะมันทุกข์ร่างกายเนี่ยมันมีความทุกข์บีบขั้นอยู่ตอลอดเวลา หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์เชื่อไหมถ้ายังไม่เชื่อทดสอบทุกคนหายใจเข้าอย่ากหายใจออกนะหายใจเข้าลองดูสิทุกข์ไหมลองหายใจออกสิเอาอยาวที่สุดนั้งแต่เกิดมาไม่เคยหายใจออกยาวเท่านี้เลยแล้วดูว่าทุกข์หรือสุขทุกขนะ์เนาะเอาหายใจปกตินะ ทำไมเราต้องหายใจออกเพราะเราแก้ทุกของการหายใจเข้าทำไมเราหายใจเข้าเพราะเราแก้ทุกของการหายใจออกทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนนะถ้าไม่เปลี่ยนอิริยาบถใหญ่ก็เปลี่ยนอิริยาบทย่อยๆนั่งก็ขยับไปขยับมามันเมื่อยมันถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเลยนี่เราหัดรู้หัดดูอยู่ในร่างกายให้มากเลยนะสุดท้ายเราจะเห็นในะร่างกายนี้คือก้อนทุกคือตัวทุก เวลาถ้าใจเรายอมรับความจริงได้นะหลวงพ่อใช้คําว่ายอมรับความจริงนะเพราะจริงๆมันทุกข์อยู่แล้วแต่เราหนีเราไม่ยอมดูมันเรามัวสนใจคนอื่นสิ่งอื่นตลอดเวลานะไม่เคยสนใจย้อนมาเรียนรู้ทุกข์คือมาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองเราเลยไม่เห็นความจริงยันต่อไปนี้เราไม่ใจลอยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปได้ เราจะรู้ว่ามันทุกข์จริงๆเลยนะพอใจยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์เนะีเวลาร่างกายนี้แก่นะใครแก่ตัวทุกข์แก่ไม่ใช่ตัวดีแก่นะตัวทุกข์แก่เวลาเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บเวลาตายตัวทุกข์มันตายตัวทุกข์มันตายสมน้ําหน้ามันนะมันไม่ใช่เสียดายนะใจร่าเริงสิอีกน่ะงัอย่า ง, นะา ง, างราพระพุทธเจ้าหรือครูบ า, าอาจารย์ทรานทหารอะไรเงี้ย เวลาท่านจะนิพพานนะท่านจะผ่องใสพิเศษเลยโอ้ตัวทุกมันจะตายแล้วแบกกับมันมาตั้งนานแล้วนะแต่ไป น, นี้สบายแล้วหมดภาระของเราสิน้ำตํำหน่อยหนึ่งก็คลุ้มใจแล้วโอ้แขนอันสวยงามของเรานะได้รับบาดแผลแล้วตอนสาวๆจำ ไ, ได้ไหมสิวเม็ดแรกขึ้นรู้สึกยังไงบาคนดีใจไว่ได้เป็นสาวนะแต่พอมันชักขึ้นนนนาเก д, ลียดคลุมใจเดี๋ยวหน้าไม่สวย เสียยังไม่เท่าไหร่นะจำตีนกาอันแรกได้ไหมเ <c oughs> จ็ปวดมากเลยนะหรือผมงอกเส้นแรกทั้งผู้หญิงผู้ชายเหรอเจอผมงอกเส้นแรกจําได้ไหมรู้สึกยังไง <c oughs> ตายแล้วแก่ลแล้วยกยแล้วยายแล้วคําว่ายกยแล้วมันมาแล้วนะเพราะอะไรเพราะเห็นว่ากายเนี่ยเป็นของดีของพิเศษถ้าเราเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของพิเศษเลยร่างกายเป็นตัวทุกข์นะเมื่อมันจะแก่เราไม่ทุกข์ ใจเราไม่ทุกข์เมื่อมันเจ็บใจเราไม่ทุกข์เมื่อมันตายใจเราไม่ทุกข์นี่มาดูในด้านจิตใจบ้างเราก็จะเห็นว่าในจิตใจเราเนี่ยมีความรู้สึกหมุนเวียนเปลีป่ยนแปนลงตลอดเวลาในใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมีไหมความสุขที่อมตะเคยเจอไหมก็ไปอยู่หน้านิคมอมตะไงแล้วเกิดมีความสุขนี่แหละความสุขที่อมตะนะ แตในความเป็นจริงไม่มีมีแต่ความสุขชั่วคราวความทุกข์อมาตะมีไหมความทุกข์ไม่มีอีก็อยู่ชั่วคราวดีล่ะดีก็ชั่วคราวใช่ไหมโลบกรธหลงก็ชั่วคราวเคย อ, อกหักไหมใครเคยอกหักยกมือให้ดูสิมีไหมมีไห ม, มทําไมน้อยนับรักไม่เป็นเลยเหรอือ เวลา อ, อกหกนะักแล้วทุกไหมทุกนะทุกบางทีเวลา อ, อกหักใหม่ๆนะมีความรู้สึกเหมือนโลกนี้มืดบอดแล้โรคนี้มืดมนไปหมดลนะ้ชาตินี้นะคงไม่มีความสุขอีกละนะผ่านไปไม่นานนะความสุขก็กลับมาความทุกข์ก็หนีไปเนะี่ยความเศร้าโศกก็อยู่ชั่วคราวคนที่เรารักมากๆตายถ้าเรารักพ่อแม่เรานะใครมีพ่อแม่ที่ตายแล้วบ้างมีไหม เยอะนะแสดงว่าอายุเราถึงวัยล้เข้าชิวแล้วนะข้างหน้าเราหายไปบ้างแล้วพ่อแม่เราเรารักเนี่ยตายเนีเสียใจนานๆไปก็หายคนที่ตายแล้วเราเสียใจที่สุดนะเท่าที่สํำรวจมาคือลูกตายลูกตายเนี่ยเป็นภาวะที่เราไม่นึกถ้าพ่อแม่ตายเราคิดว่าสมควรลนะ้ ตายตามวัยปู่ย่าตายยายตายก่อนอันนี้เป็นความถูกต้องต่อมาพ่อแม่ตายนี่ก็เหมาะสมแล้วถ้าเราตายถึงวัยแ้ก็ปกติแต่พ่อลูกตายก่อนเรานะ่ไม่ปกติไม่เคยคิดล่วงหน้าเลยยอมรับไม่ได้ทุกข์มากเลยมีบางคนนะลูกตายเศร้าใจเสียใจนะผมหงอกทั้งหัวเลยในเวลาสั้นๆทุกข์มาก เป็นเรื่องน่าเห็นใจเลยเพราะว่าไม่มีใครเคยเตรียมใจว่าลูกจะตายก่อนไม่ค่อยมีใครเตรียมใจเรื่องนี้ก็าตายผู้พิทุกทุกนะก็เหมือนกับชีวิตเนี้ยจะไม่มีทางพ้นจากทุกนี้ได้เลยแต่สุดท้ายมันก็พน้นนะมันก็พน้นเวลาเราไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงลูกมันก็ไม่ทุกหรอกเมื่อความทุกข์รางใจนะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน ถ้าเราหัดคอยรู้ใจเรามีความสุขคอยรู้ใจเรามีความทุกข์คอยรู้ใจดีคอยรู้ใจร้ายคอยรู้หัดรู้บ่อยๆต่อไปปัญญามันเกิดมันจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงในใจของเราเนีน signs, ่ยเป็นของชั่วคราวความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวโลภโกรดหลงก็ของชั่วคราวเมื่อความสุขทางใจก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ทางใจเขาชั่วคราวเนี่ย แล้วมันเรื่องอะไรที่เราจะต้องดิ้นรนหาความสุขมากมายนะักได้ความสุขมาแวบเดียวก็าหายไปละเรื่องอะไรเราจะต้องไปกลัวความทุกข์มากนะักความทุกข์มันก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายเหมือนกันเนี่ยถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตนะเนี่ยคือศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะศาสตร์แห่งการเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นะแล้ว เ, เห็นในร่างกายนี่มันเป็นตัวทุกข์ จิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายทุกก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอะไรๆก็ชั่วคราวจะแย่งชิงอะไรกับของชั่วคราวจะครอบครองอะไรกับของชั่วคราวอยากครอบครองความสุขนิรันดร์หรอือมันไม่มีเนะมื่อใจยอมรับความจริงอย่างนี้ได้นะใจจะคลายความยึดถือออกอย่างเราเคยเห็นร่างกายเรานี้เป็นของดีต่อมาเราเห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์นะพอมันแก่มันเจ็บมันตายเราจะไม่หวั่นไหวเลย เราเคยดิ้นรนตอบสนองความอยากนะตั้งมากมายเพื่อจะเอาความสุขเพื่อจะหนีความทุกข์แต่ถ้าเราเห็นความจริงแล้วความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวอยากก็โง่ปเปล่าๆเหนื่อยเปล่าๆนะใจมันจะหมดความอยากไปเองนะถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่จะละสมุทัยเมื่อ น, นั้นนี่คำสอนของพระเจ้านะรู้ทุกข์ได้เมื่อไหร่ก็ละสมุทยัยสมุทัยคือตัวความอยากคือตัวตัณหา รู้ทุกข์ก็คือรู้ความจริงของกายของใจนะว่ามันเป็นของไม่ดีเป็นตัวทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกในบรรดาความอยากทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อลงมาแนละ้วมันก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์อยากไปดูหนังเนี่ยเพื่ออะไรก็อยากให้มีความสุขใช่ไหมมีไหมอยากไปซื้อตัว๋วไปดูหนังหวังว่าจะมีความทุกข์มากขึ้นมีไหมบอกหล้วล่อย่างนั้นนะควรจะไปปรึกษาจิตแพทย์นะ ถ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะหวังแค่มีความสุขหวังแค่จะมีความทุกข์อยากมีแฟนก็หวังว่าจะมีความสุขเห็นไหมอยากแต่งงานก็หวังมีความสุขอยากได้เงินเดือนเยอะๆก็หวังจะมีความสุขแต่พอมันเห็นความจริงแนละทุกอย่างอะไรมันก็ชั่วคราวไปหมดเลยนะบางคนนะทำงานหนักแทบเป็นแทบตายเก็บเงินไว้เยอะเลยหวังว่าจะมีความสุขสุดท้ายมันไม่มีไม่มีเวลาใช้เงินด้วยซ้าไปนะเคยมีอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งนะ เป็นเรื่องโปรเฟสเซอร์ที่เก่งในด้านการลงทุนเป็นแอดไวเซอร์คอยแนะนําการลงทุนให้คนอื่นแล้วตัวแกก็ลงทุนเก่งรวยพอรวยมากๆแนละ้วอายุมากแล้วนะแกแล้วแกก็ไปพักผ่อนริมทะเลแกไปเห็นชาวประมงอะมาออกไปจับปลามีเรือเล็กๆลําเดียวมันไปจับปลาชั่วโมงสองชั่วโมงว่ากลับมาแนละ้วได้ปลา 2- อสาตัวมานะ พอกินพอขายซื้ออะไรเลๆน้อยอยู่เลยนะต่นี้ดูอยู่พักผ่อนะยาวไลายนานนะฝรั่งเวลามันพักพั ก, พกยาวสังเกตว่านี่โง่อยากนนั้นเลยเราแนะนำการลงทุนให้มันดีกว่าสงสารมันมันหาปลาอย่างนี้เช็คอะไรมันจะรวยก็ไปบอกมันเราีอยู่อยู่เพิ่มชั่วโมงจับปลาขึ้นอนี่ถ้าถามเพิ่มทาไมอ้าวจะได้ปลาเยอะ เอาไปขายนะได้เงินพอได้เงินแล้วทำไงอีกถามต่อซื้อเรือให้ใหญ่ขึ้นจับปลาให้เยอะขึ้นจะได้รวยมากกว่านี้อีกแล้วรวยแล้วจะทำอะไรอีกซื้อเรือมากกว่านี้มีเรือหลายลำตัวเองไม่ต้องจับปลาแล้วจ้างเขามาจับต่อไปเราจะมีกิจการนะมีเรือกองเรือประมงของตัวเองร่ำรวยมากเลยร่ำรวยแล้วทำยังไงเพื่ออะไระอา้าตอนแก่จะได้สบาย ตอนแก่ยู่จะได้เหมือนไอ้นี่แหละได้มาพักผ่อนริมทะเลอยู่กับสายลมแสงแดดผ่อนคลายอิตาประมงบอกฉันเป็นอยู่แล้วตอนเนี้ฉันอยู่กับสายลมแสงแดดฉันมีความสุขอยู่แล้วในวันทีดิี่แทบตายนะมันเหมือ น, นวิ่งไล่จับเงาเหมือนวิ่งไล่จับเงาไปเหนื่อยเหนื่อยเพราะความไม่รู้ของเราแต่ถ้าเรารู้ความจริงแนละ้วเรามีความสุขอยู่ตั้งแต่ตอนนี้แล้ว ไม่ต้องราไปชาติหน้าแล้วมีความสุขนะงั้นถ้าฟังซีดีหลวงพ่อนะถ้าไม่ได้เจอหลวงพ่อฟังซีดีไปเดือนหนึ่งสงเดือน3เดือนเนี่ยถ้ารู้ทันใจของตัวเองได้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกได้เราจะมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เลยเราจะเริ่มเข้าใจความเป็นจริงในชีวิตเราจะเริ่มเห็นนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้สุขทุกข์ดีชั่วเป็นของชัวคราว แน่ใจมันจะค่อยมีความสุขนะต่อไปเวลาเราไปเจอปัญหาหนักๆในชีวิตเราก็จะรู้ว่าปัญหาหนักๆ น, นี้ก็ของชวัวคราวปัญหาที่รุนแรงที่สุดก็ของชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวไปหมดเลยถ้าใจยอมรับตรงนี้ได้เลใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่ทุกข์ความทุกข์จะมีอยู่แค่ร่างกายแต่ใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเราก็จะมีชีวิตอยู่อย่างอิสระนะมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ การมองโลกของเราก็เปลี่ยนไปอย่างทุกวั น, นี้เรามองโลกแยกคนเป็น2กลุ่มกลุ่มมิตรกลุ่มศัตรูนะใจเราเปลี่ยนใจเรารู้สึกเป็นมิตรกับทุกสิ่งทุกอย่างใจเราไม่มีขอบเขตนะสบายกว้างขวางใจที่กิเลสหนาหนาจะแคบๆเล็กๆบีบตัวอยู่ใจที่สบายขึ้นสบายขึ้นจะกว้างขวาง เป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นทุวันนี้เราเหมือนเป็นอิสระแต่จริงๆไม่เป็นเรามีฝันธานาการเยอะแยะเลยเรามีเจ้านายที่โหดร้ายที่สดนะุดคือตัณหาคือความอยากนะี่สั่งเราตลอดวันตลอดคืนให้กันบ้านนะไปทำความรู้จักกับจิตใจของตัวเองดูดูซิว่า วันหนึ่งวันหนึ่งเรามีความอยากกี่ครั้งเราเกิดความอยากสักกี่ครั้งคอยไปสังเกตดูนะถ้าเจอเข่าวหน้าเราจะมารายงานหลวงพ่อว่าผมรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเราไปทันคอยสังเกตใจตัวเองนะว่าเรามีความอยากวันละกี่ครั้งลองไปดูถ้าวันหนึ่งนานไปห้านาทีก็ได้ สังเกตดูใน5นาทีนีเรามีความอยากเกิดขึ้นกี่ครั้งเช่นแอร์มันเป่าหัวเราเราอยากหนีมันเนีนะหรือตรงนี้ร้อนอยากขยบไปหาแอรนะ์นั่งกับคนนี้ถ้าจะไม่อาบน้าตอนเช้านะอยากให้ไปให้ พ, พ้นพเนี่ยความอยากนะั้นมันจะพิถีพิถันมากเลยนะละเอียดยิบไปหมดเลยนะมันจะอยากสารพัดอยากเลยไปสังเกตใจตัวเองนะว่าใน5นาทีนีเกิดความอยากได้กี่ครั้ง แล้วสังเกตนะชั่วโมงหนึ่งอ่ะดูสักห้านาทีพอชั่วโมงหนึ่งนะดูห้านาทีเนะี้มีความอยากอีกครั้งอยากไปไหมรู้จักอยากไหมถ้าแค่นี้ยากก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะ <c ười> แค่ห้านาทีเราถจะไม่มีแฟนยาทำ <c ười> อยากได้พักฝนนิพานอยากอย่าพ้นทุกอยากอยกเป็นชาวพุทธนะฝึกห้านาทีอนไม่ได้ก็แย่แล้วล่ะนะ พวกเราเล่นเดตมาล้กี่ชั่วโมงอู๋บางคนล้ออู้หูเลยนะอู้หูนับไม่ถูกนะเราเอเวลาไปเล่นอย่างอื่นเดยอะแยะเลยนะแต่เป็นที้เรามาเล่นเกมกตัวเองบ้านงะเกมนี้ไม่ต้องไปจับรางวัแลแลกรางวัลไม่ต้องไปซื้อดาวซื้อเดาอะไรทั้งสิ้นนะเกมนี้ก็คือเกมวัดใจตัวเองนะแต่ละชั่วโมงนะเอาสักห้านาทีถ้าทําได้นะ แต่ถ้าเรามีงานติดพันก็าเบนไปไม่เป็นไรถ้าไม่มีงานติดพันแล้วเวลาชั่วโมงหนึ่งห้นาทีเรสังเกตว่ามีความอยากเกิดขึ้นสักกี่ครั้งในความเป็นจริงนะที่แต่ละคนทํางานบอกทํางานมากๆากงานหนักผมทํางานวันนึงสิกว่าชั่วโมงจริงๆไม่ได้ทำหรอกคนส่วนใหญ่เอาเวลาไว้ใจลอยเวลาเราทํางานนอะ ลองไปจับเวลาดูสิเวลาที่ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่งานเนี่ยเยอะมากเลยนะเพราะจริงๆวันๆหนๆึ่งเรามีเวลาไม่ใช่ไม่มีเวลาปฏิบัตินะชั่วโมงหนึ่งห้นาทีทําให้ได้แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนความทุกข์จะสั้นลงนะความทุกข์ที่หนักๆก็จะน้อยลงเบาลงความทุกข์ที่นานๆก็จสั้นลงในเวลาเดือนสองเดือน3เดือนเราจะพบว่าเราเกิดใหม่แนละ เรามีชีวิตใหม่เราเป็นคนใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้ว น, นี่คือธรรมะที่ขอท้าให้พวกเราพิสูจน์นะไปสังเกตตัวเองดูชั่วโมงหนึ่งสักห้านาทีในหานาทีนี้มีความโลภมีความอยากเกิดสักกี่ครั้งแต่คนไหนดูความอยากไม่ชัดดูความขี้โมโหก็ได้คนไหนขี้โมโหบ้างในห้องนี้มีไหมเราปกติยุค ข, ของเราเนี่ยคนขี้โมโหเยอะ ครูอาจารย์ท่านบอกว่ายกนี่คนขี้โมโหเยอะเสัตว์ในนรกเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยนะพวกนี้จะมีพื้นที่ขี้โมโหนะถ้าเราเป็นคนขี้โมโหเราก็สังเกตเราเราโมโหกี่ครั้งนะถ้าเราขี้โลคก็สังเกตว่าเราอยากกี่ครั้งนะค่อยสังเกตตัวเองชั่วโมงนึงสักห้านาทีนะสุ่มมาค่อยสังเกตไปหรือช่วงไหนว่างก็สังเกตเอา ตอนนี้ว่างแล้วไม่ต้องไปทํางานที่ต้องคิดอะไรนะคอยสังเกตเอาใจเราโลภขึ้นมาก็คอรู้ใจเราโกรธขึ้นมาก็คอยรู้ใ จ, รรรใจเราสุขใจเราทุกข์ขึ้นมาก็คอรู้ใจเราฟุง้งซ่านใจเราหดหู่ก็คอรู้เอายิ่งรู้ได้บ่อยก็ยิ่งพัฒนาเร็วคล้ายๆเด็กทํากันบ้านบ่อยถึงก็พัฒนาเร็วนานๆไปรู้ทีก็เติบโตช้าไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะงั้นไปทำเอา ถ้ามีข้อสงสัยติดขัดในการปฏิบัติก็ <c oughs> ไปหาซีดีหลวงพ่อฟังเนาะในยูท o u t u b e อะไรเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดแล้วแหลวงพ่อไม่ได้ทำเองหรอกคนอื่นเขาทำพอสมควรแก่เวลานะวันนี้ใครจะส่งกันบ้านเชิญใครอยากดูบ้างอยากดูว่ามีอะไรมีอะไร อ, อ, อยากแล้วไม่เห็นนึกอีกไหมนึกออกหรือยัง เนี่ยที่ชะโงกกันเนี่ยเพราะอเพราะอยากดูอยากได้ไหมอยากก็ได้แต่ให้รู้ว่าอยากแค่นี้เองนะไม่ใช่ว่าห้ามอยากนะเนี่ยอุ้ยอยากดูแล้วดูไม่เป็นไรนะเวลารถชนกันอยากดูไหมดูแล้วกลัวด้วยไหมยอยากดูแต่กลัวจะเจอศพเละเทะเห็นไหมกลัวกลับมาสักการหลวงพ่อครับก็มีเพลงๆบ้างครับแล้วก็ อมสมาธิไม่ค่อยดีครับผมแต่ละวันแต่บางทีก็ใช้ได้ครับผมบางทีก็ฟุ้งซ่านค่อนข้างาดีดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะแล้วเ อ, อให้ปฏิบัติ ด, ดีขึ้นเยอะแล้วครับผมงั้นผมส่งต่อนะครับสังเกตไหมว่าจิตมันถึงฐานไหมตอนนี้ไม่ถึงครับผ ม, มแต่ว่ามันถึงเป็นแล้วละ่ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วละ่ะ แต่ว่ามันจะเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมนะเป็นเรื่องปกติครับผมไม่ต้องตกใจหรอกอ่ะต่อไปกับกับนมัสรรการหลวงพ่อครับทีแรกก็คิดว่าจะเริ่มจากทางโน้นก็คิดว่าจะเป็นคนที่แปดที่เก้าแต่พอเป็นคนที่สองก็หัวใจก็เต้นตุบๆๆเลยครับ <laughs> ลงเป็นคนที่แปดสิทุบกว่านี้อีกพวกคนสุดท้ายน่าสงสาร ก็วันนี้มากับลูกชายก่อนอยู่ข้างหลังปกติก็ไปวัดกันไม่บ่อยก็ครั้งนี้เหมือนกึ่งๆบังคับเข้ามาก็อยากอยากให้เขานิ่งนิ่งบ้างก็ธรรมชาติก็คงไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกเราเด็กยิ่งเราบังคับมากยิ่งต่อต้านรเราทำให้ดูดีกว่าพอนางเราให้เขาเห็นเปิดซีดีหลวงพ่อไปให้เขาได้ยินโดยที่ไม่เจตนาครับ ค่อยๆเด็กเรียนเร็วหน้าตาไม่ง่อหรอกเด็กเนี้ยผมเองจเจริญสติโดยโดยมีเคปเป็น <c oughs> เป็นเป็นแนวทางในการปฏิบัติครับหลวงพ่อตื่นเช้ามาก็พูดกับตัวเองก่อนแล้วว่าฉันเป็นคนมีศีล <c oughs> แล้วก็สวดมนต์ไหว้พระตอนแรกๆเนี่ยก็ก็ตื่นตีสี่ตื่นเร็วขึ้นนิดนึงนะครับพอเดือนที่สองก็ ความยาวมันเยอะขึ้นตุตีสามก็ตอนหลังเนี่ยมีความรู้สึกมันมันแพ่งเยอะไปแต่ระหว่างวันก็จเจริญสติด้วยความรู้สึกตัวตลอดหลวงพ่อแนะนำให้ทำตามรูปแบบก็ทำตามก็สิกวันวันนี้นี่กจ็จุดหลักเนี่ยนะจะใช้วิธีอะไรเคอะไรเนี่ย P I อะไรก็ไม่เป็นไรมันคือการบังคับตัวเองให้มีวินยัย นะแต่ว่าเรามีวินัยอย่างเดียวไม่ได้มีวินัยแล้วต้องมีจิตที่ถูกด้วยนะถ้าเรามีวินัยแล้วเราก็บังคับตัวเองบังคับตัวเองมากเนะี่ยเครียดไปเนะพราะนายากแต่ไม่มีวินัยเลยทําบ้างไม่ทําบ้างไม่มีทางเจริญนะแต่ถ้ามีวินัยแล้วก็เข้มงวดมากนะเครียดขึ้นมานะตึงไปนะแรกๆตึงไปก่อนไม่เป็นไรแล้วก็รู้ทันแล้วค่อยคลายออกนะ ตึงไม่ใช่ว่าคำว่าตึงไม่ใช่แปลว่าทำหลายชั่วโมงคำว่าตึงอาจจะทำห้านาทีแต่ทำแบบตึงเครียดก็ได้นะมันคับตัวเองขณะนี้เพ่งแรงไปครับนะเพ่งแรงไปให้เป็นธรรมดากว่า น, นี้หน่อยนะสิบวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำ KPI แล้วครับก็แต่ก็ยังตื่นมายังพูดเหมือนเดิมแล้วก็ยังรู้สึกตัวทั้งวันบ่อยๆ ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมไม่ครับเออถ้าไม่เหมือนแล้วใช้ได้ถ้าเหมือนแล้วใช้ไม่ได้ตอนนี้มันตุบตุ п, ตบๆุตลอดเลยครับนะถ้าจิตอย่างนี้ไม่ได้ครับจิตที่ดีที่สุดก็คือจิตอย่างเด็กๆอ่ะจิตที่เป็นธรรมชาติจิตที่เป็นธรรมดาจิตของเด็กเนี่ย น, นะกระทบอารมณ์อย่างนี้ก็พอใจกระทบอารมณ์อย่างนี้ไม่พอใจกระทบอย่างนี้เกิดกุศลกระทบอย่างนี้โลบกรดหลงข้อเสียของเด็กมีอันเดียวคือ เมื่อเกิดสภาวะตามธรรมชาติธรรมดาแล้วไม่มีสติรู้ผู้ใหญ่นับปฏิบัติเนี่ยนะมีสติพยายามฝึกรู้ตลอดเลยแต่ไม่มีจิตใจที่เป็นธรรมชาติอย่างเด็กนะแล้วเสียของดีไปอันหนึ่งฉะนั้จิตที่ดีที่สุดคือจิตที่ธรรมดาที่สุดเองแต่เรามีสตินะเช่นเรามองเห็นสาวคนนึงใจเราชอบขึ้นมาเรารู้ว่าชอบนะไม่ถึงขนาดห้ามวาห้ามชอบ เรไม่ได้บังคับมันนะอย่าให้บังคับแบบนี้นะครับผมเออขอบคุณครับหลวงพอ่อกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อโยมไม่ได้ส่งการบ้านประมาณสามปีได้แล้วค่ะที่ผ่านมาโยมก็ทุกน้อยลงแล้วก็เห็นเห็นว่าตัวเองเนี้ยมีมีความไม่ดีเยอะทั้งความโรคความโกรธแล้วก็ความแค้นอะไรเงี้ยค่ะ แต่พอมีแล้วเราก็รู้สึกว่าพิจารณาว่ามันก็เท่านั้นนะคะแล้วก็จสันส้นลงค่ะแรกๆอาจจะต้องใช้การคิดพิจารณานะต่อไปพอสติสมาธิอะไรอัตโนมัติแนละ้วไม่จะเห็นเล้วไม่ต้องคิดเลยมันจะเห็นเองโกรธขึ้นมาพอสติะระลึกปุ๊บขาดไปเลยลบขึ้นมาพอสติะระลึกรู้ว่าขาดเลยนะจะเป็นเองเราไม่ต้องคิดนำนะแต่ถ้าอารมณ์แดง สู้มันไม่ไหวก็คิดนำได้นะแล้วก็มีสภาวะหนึ่งจะขออนุญาตส่งค่ะคือปกติเวลานอนยมก็จะทําอนาปนสติช่วงก่อนนอนดูลมหายใจไปเรื่อยๆเมื่อหลับไปก็จะรู้ว่าหลับช่วงไหนเมื่อตื่นขึ้นกายยังไม่ได้ลุกแต่ใจมันรู้สึกแล้วอะค่ะถูกก็บางทีไม่ได้อยู่ในลมหายใจก็เผลอคิดรู้ว่าคิดแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งคือเผลอคิดออกไป แล้วก็ช็อตหนึ่งช็อตสองคิดต่อไปเรื่อยๆแล้วตัวมันก็อินอยู่ในความคิดนั้นมันก็เลยกลายเป็นความฝันแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าออเราคิดอยู่นะถอยกลับมาถึงรู้ว่าความฝันเนี้มันเกิดจากความเริ่มจากความคิดที่นัเดียวกันแหละค่ะความฝันคือความคิดตอนหลับความคิดก็คือความฝันตอนตื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราหลงอยู่ในโลกของความคิดนะวันวันใจลอยคิดนั่งคิดเนี่ยคือใจมันหลับใจมันฝันอยู่ ตื่นแต่ร่างกายมันนันเดียวกันเลยค่ะก็เลยเข้าใจความหมายที่หลวงพ่อสอนไว้ชัดเจนเลยค่ะมีเท่านี้ค่ะเราไปดูนะอย่างใจบางทีใจเรามีโทสะง่ายนะหงุดหงิดง่ายอะไรง่ายก็แค่รู้แค่เห็นเห็นไหมว่ามันทำงานได้เองอ ม, มันพอใจมันไม่พอใจได้เองนะค่อยๆรู้ไปมาสการ์ช่วยค่ะออของโ ย, ย เออเวลาคือทุกวันนี้พยายามเตือนตัวเองให้รู้สึกไม่ให้ลืมกายลืมใจตัวเองนี่เวลานั่งสมาธิเนี่ยพอมันจับความคิดได้ปุ๊บความคิดมันดับพอดับแล้วก็เห็นความว่างพอความว่างแล้วก็เอ๊ะมันจะยังไงต่อว่างก็ไม่เที่ยงก็ <c oughs> เอ๊ะเกิดความสงสัยไหมเออนะเอ๊อนนะอทำถูกเปล่านี่ไงว่างไม่เที่ยงกลายเป็นสงสัยลนะ้นี่ไง ว่างดับไปล้เป็นสงสัยแทนนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราภาวนานะสภาวะอะไรเกิดขึ้นแค่รู้แค่เห็นและสภาวะนั้นสอนใจรักเหมือนกันหมดเลยการภาวนาอย่ามุ่งไปหาความว่างนะถ้ามุ่งจะเอาว่างแล้วก็จะกลายเป็นอารูปปรปุพรมนะเป็นทางที่พลาดไปเลยจะเอาเมื่อจะเอาว่างก็จะไม่เอาวุ่นเกลียดความวุ่นวายจะเอาว่างถ้ายังรักสิ่งหนึ่งยังเกลียดสิ่งหนึ่งยังเกิดอีก ใจไม่ได้เป็นกลางคือบางทีในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเจออะไรวุ่นวุ้นแล้วก็รู้สึกอยากปลีกตัวออกไปละก็อันนี้เราก็คือถ้าถ้าเราปลีกได้เราก็ปลีกถ้าปลีกไม่ได้เราก็อยู่กับมันแต่ไม่ทุกนะต้องฝึกจนกระทั่งเราอยู่ในทุทกที่ได้ถ้าเราเก่งเฉพาะตอนอยู่ในถ้ำนะไม่เก่งจริงนะ ที่ภาวนามาใช้ได้นะภาวนามาดีขึ้นครับขอบพระคุณเจ้าะรู้สึกไหมว่าเราเปียนมอง อ, ออกไหมรู้สึกตัวเองอยังแย่อยู่มาก <laughs> นั่นเล้เห็นตามความเป็นจริง <laughs> <laughs> ใช้ได้แล้วล่ะ <laughs> ขอบคุณรู้สึกไหมมันประคองอยู่ตลอดนะมันระวังตัวมากไปนะตัวนี้เป็นตัวที่ขวางการเจริญปัญญานะไม่จะทำให้ใจนี่เครียด จิตเนนะถ้าเครียดเมื่อไหร่นะนี่เป็นจิตมีโทสะนั้นจิตดวงนั้นถือ ว, ว่ารู้นอนรู้นี่จริงๆไม่รู้หรอกเป็นโทสะมูลจิตนะสังเกตไหมว่าจิตมันมีโทสะซ่อนอยู่ <laughs> เออเ ร, เริ่มหลุดออกมาแล้วเรหลุดไม่หมดนะเต้องระวังตรงนี้นะเวลาที่เราฝึกคอสโนนคอสนี่อะไรบางที ต้องดูนะว่าคอสเนี่ยมุ่งสร้างวินัยเป็นหลักนะนวินัยเนี่ยพอมากเกินไปเนี่ยเครียดนะต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวใจเราเครียดทั้งวันเลยแล้วต่อไปพอเราข่มไว้เต็มที่แล้วพอข่มไม่ไหวนะเราจะอรารวาสละคนที่จะเดือดร้อนก็คือลูกเมียเรานะแล้วลูกก็จะเกิด reaction เกิดปฏิกิริยาจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามพ่อนะ ต้องระวังนะครับนี่มาตรการเจ้าคะท่านอพอดีโยมมีปัญหาของสภาวะของตัวเองเนี่ยคือพยายามมีสติอยู่นะเจ้าคะในในการรู้สึกตัวเนี่ยแต่จิตผู้เหมือนเป็นคนหวังดีชอบไปหวังดีกับคนอื่นเขาเนี่ยเจ้าคะ ไ ป, ไปหวังดีแล้วนึก็ตัวเองทําดีด้วยนะแล้วมันก็รู้สึกเวลาที่มีอะไรมากระทบใจมันจะรู้สึกแหมมันจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยทั้งๆที่ก็บอกอย่าไปยุ่งกับเขาตรง น, นี้เพราะว่าเราทําสมาธิน้อยไปหรือเปล่าเจ้าค่ะท่ไม่ใช่หรอกนี่ใสยแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ใส่เราหวังดีกับผู้อื่นใช่ไ้ม er หวังดีแล้วพอไม่ได้อย่างใจเขาไม่ยอมเราโมโหนะค่ะมีมโมโหแต่ก็พยายามรู้นะว่าเออเราต้องวางอุเบกขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่ว่า มันมันย้นนี้ยังรู้ตัวเร็วนะตอนก่อ น, นมันจะไหลไปเลยแต่ว่าตอนนี้ตอนมันก็นั่นแหละเรียนรู้ไปเจอทั่งวันหนึ่งเราฉลาดน ะ, ะยุ่งกับคนอื่นเมื่อไห ร, ร่ก็ทุกเมื่อนั้น ถ้าเห็นอย่างนี้มันเริกยิ้มยคณะกระทบอะไรมันจะแหมตาไม่บางทีอยากจะปิดตาตาไปกระทบหรือหูได้ยินมันเป็นนิสัยให้ไม่ได้ดอกเจ้าค่ะเจ้าถ้าโอ้โหนิสัยอย่างเนี้นำความทุกข์มาให้นะเจ้าค่ะทุกข์จริงๆเจ้าค่ะเออนั่นแหละดูไปเหทุกข์พอมาเห็นทุกข์ในหลังมันเข็ดมันไม่ยุ่งกับใครแล้วเจ้าค่ะเริ่มเข็ดแล้วเจ้าค่ะแล้วกราบนมัสการเจ้าค่ะเข็ดไปสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วกราบนมัสการเจ้าค่ะ ก็ขอโอกาสหลวงพ่อแล้วก wow ็จริงๆก็ขอบคุณดั่งบริษัทชัยราชการที่ให้โอกาสได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อแบบใกล้ชิดมากยอมเห็นความโลภค่ะเวลาที่เขาถามว่าใครจะส่งกันบ้านก็เลยว่าโอ้ได้นั่งตรงข้างหน้าเลยซึ่งคงไม่ถ้าไปวัดก็คงไม่มีโอกาสคะนี่เห็นเห็นว่าเราโลภจริงๆเราแล้วถ้าเราเห็นความโลภแล้วเราเราทำตามแล้วเจ้าค่ะ คือเราไม่ได้ทำตามความโลภนะพอเราเห็นความโลภปุบ๊บเรารู้ว่ามีความโลภนะความโลภจะดับอัตโนมัตินะต่อไปก็เลือเหตุผล<ช>สมควรทำก็ทำนะไม่สมควรทำก็ไม่ทำอย่างเช่นเราตอนเที่ยงแนละ้วออกไปเชือร้านอาหารได้กลิ่นอยากกิน<ช>อยากกินนะมันมีสองตัวนะอยากหนึ่งตะกละอันนี้ใจอยาก<ช>อย่างหนึ่งร่างกายหิวนะเราก็รู้ทัน มันมันอยากกินเรารู้ทันความตะกละมันดับแต่ความหิวมันอยู่สมควรกินเราก็กินนะเราอย่าใช้ชีวิตด้วยเหตุผลนะอย่างเมื่อกี้นิยมไม่ไม่เห็นความโลภจริงในขณะนั้นเราพอมาวิเคราะห์แล้วโอ้แล้เมื่อกี้เราโลภไปเขาเรียกว่าฉันทะโลภทางบวกนะไม่ให้ฉันทะแล้วแล้วก็รายงานเรื่องการปฏิบัติกับหลวงพ่อค่ะภาวนามาหลายปีเจ้าค่ะเห็นไหมว่าเราเปลี่ยนแล้ว ก็มีพัฒนาค่ะแต่ว่าก็รู้สึกมันช้าช้ามากแม่มันใช้ได้แล้วนะค่ะอย่างตอนนี้สังเกตไหมกายกระใจเป็นคนละอันตัวนี้เห็นไหมค่ะเห็นไหมความรู้สึกทั้งหลายกระใจเขาขรุขระงั้นใจของเราเนี่ยมันถอนตัวออกมาแล้วขันมันแยกออกไปแล่ะต่อไปนี้ก็มีแต่ว่าสังเกตไปเห็นขันมันทํางานของมันได้เองไปเรื่อยๆรู้สึกไหมมันโลภได้เองมันสุกเองมันทุกข์เองนะ ดูมันทํางานไปร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวเร า, าเหมือนเปลือกเหมือนถ้าอะไรที่จิตมาอาศัยอยู่คะถ้าเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเจ้าค่ะดี<ม>ขึ้นมากเลยโยมยังติดคิดนำเจ้าค่ะไม่เป็นไรเรืเ่องตอนคิดนำก่อนไม่เป็นไรได้นะเนะจ้าค่ะแล้วก็วันนี้จะมากราบขอกําลังจากหลวงพ่อเพราะว่ารู้สึกเป็นช่วงเสื่อมของการภาวนานะเสื่อมอะไดี การภาวนานถ้าเจริญลูกเดียวนะมันจะกลายเป็นกูเก่ง <Okay. S 2> ครูบาอาจารย์สอนนะว่าการปฏิบัตินะ <Okay. S 2> ธรรมชาติของจิตเนี่ยเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเท่าไงเราภาวนานไปนะจิตใจเราเจริญสติรู้ตัวดีสมาธิด <Okay. S 2> อีอยู่ๆไป ท, ท, ทั้งที่ทำปกติเสื่อมสติก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่มีอเงี้ยการที่เกิดสภาวะอย่างนั้นธรรมะให้ความเมตตาเรามากนะมะสอน <Okay. S 2> ความจริงให้เราดูละ ว่แกไม่เก่งจริงหรอกแกบังคับฉันไม่ได้หรอกรตอนนี้ที่โยมทําความสงบไม่ได้เลยโยมก็บริกรรมเมตตาของที่หลวงพ่อแนะ น, ออ น, นําอสวดไปบริกรรมมันก็ได้สมาธิขึ้นมาเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะมันตึงเครียดไปรู้สึกไหมมันพยายามเยอะไปความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลว อ, อยู่ที่นั่นนะในการทํากรรมฐานนะ กรับนมรส ก, การหลวงพ่อปามอเจค่ะกูมใจไหมเมื่อกี้นี้รอนานตื่นเต้นค่ะออก็เมื่อกี้แวบหนึ่งก็หายตื่นเต้นไปนิดนึงค่ะออตอนนี้เป็นครั้งแรกที่โยมได้ส่งกันบ้านนะคะก็เออก็อยังตื่นเต้นอยู่ <laughs> คือว่าโยมก็ปฏิบัติในรูปแบบตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นบ้างที่วัดนะคะ แต่ก็ไม่รู้ว่ามันก้าวหน้าอะไรยังไงบ้างใช่มินทูชนต้องรู้ด้วยตัวเองได้นะค่ะแต่เ ก, กนงไ้มว่าขันไม่แยกได้ค่ะทราบอยู่ค่ะว่ า, ว, าว่าดีขึ้นแต่มันก็คือมันเคยดีมากๆแล้วมันคือเพี้ยนไปแล้วหนูก็เลยกลับมาใหม่ตอนนี้หายเพี้ยนแล้วค่ะค่ะก็รู้ตัวอยู่ค่ะแต่รู้สึกยังติดติดที่จะไปวัดนะคะหนูก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะ ไม่จําเป็นหรอกนะหลังๆเนี่ยหลวงพ่อไม่ค่อยแนะให้ใครไปไหนอะ่ะพอนาที่บ้านเรานี่แหละถ้าเวลานั่งรถไปอยู่บนถนนพานาบนถนนนี่แหละค่ะอยู่ที่ทํางานถ้าไม่ต้องทํางานที่คิดพอนาอยู่ที่ทํางานนั่นแหละค่ะนะการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วัดยาวชีวิตไปฝากไว้กับวัดคะค่ก็เดี๋ยวจะลองปรับตรงนี้ให้ให้มากขึ้นค่ะ จุดสำคัญคือความมีสตินะ <c oughs> ถ้าสติมันตามไม่ทันไม่เพี้ยนสมาธิมันนำสติไม่ทันไม่เพี้ยนไปได้ <c oughs> แ้วตอนนี้พอทันไหมคะหลทันสิอ <c oughs> ยกขันไปนะ <c oughs> ทำใจสบายๆเห็นขันมันทำงานไปสบายๆ แล้วเราจะมีการบ้านเพิ่มใช่ไหมคะทำไปอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะชื่อมันก็บอกแล้วนะว่าการบ้านไม่ใช่การวัดค่ะอยู่บ้านนั่นแหละภาวนาผู้หญิงอะหลวงพ่อไม่แนะนําให้ล่อนเร่ไปนะอันตรายมากเลยแล้วทําไมยอมรู้สึกติดดีอะคะหลวงพ่อติดดีก็ทุกค่ะทุกเหมือนกันค่ะติดดีก็ทุกนะถ้าฉลาดเต็มที่ไม่ติดอะไรหรอกค่ะไปค่อยดีค่อยดูที่ฝึกตอนเนี้ดีขึ้นแล้วล่ะ ครับก็คุณเจ้าค่ะครับมาส่งมันบ้านครับเ อ, อที่ผ่านมาเห็นกิเลสมันเอาอารมณ์มาหลอกให้ให้เราชิมอะครับแล้วใจมันก็ดิน้นวื่งหาครับโอ้ใช่ได้การภาวนานะไม่ใช่ว่าเพื่อจะเอาชนะกิเลสเอะไรหรอกนะภาวนาไปจนเราเห็นในธาตุขันเนี้ยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ใส่ใจไม่ว่าใจเราเราก็สั่งไม่ได้จริงนะสั่งให้ดีมันบางทีก็ชั่ว ห้ามชั่วนะก็ห้ามมันไม่ได้นะคุมมันไม่ได้เฝ้าเรียนรู้ของมันนะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจอย่างที่กายอย่างที่ใจเป็นนะดูไปอย่างที่เขาเป็นที่ฝึกมาใช้ได้นะดูออกไหมว่าขันแยกได้ดูออกครับนะขันแยกแล้วนะดออเดี๋ยวนี้นะพวกเราแยกขันเป็นเนี่ยเยอะมากเลยเป็นหมื่นๆแล้วมั้งหลวงพ่อว่า ไปที่ไหนก็เจอนะที่เดินนั่งรถไปเนี่ยเห็นเดินอยู่ข้างถานนรู้เลยว่าฟังซีดีหลวงพ่อเห็นเราดูเนี่ยทีมบันทึกเนี่ยไม่ได้จ้างมานะรู้ว่าหลวงพ่อจะไปเทศที่ไหนนักอุตสาห์ตามไปถ่ายเป็นทีมอาสาสมัครนะทำเสร็จแล้วก็ไปออกอะไรหลวงพ่อทำไม่เป็นอยู่ทง youtube เลยเมื่อภาวนาเป็นอย่างนี้นะเห็นขันมันทํางาน คนนี้ไม่ใช่เรานะดูไปเรืนะ่อยนามันไม่ใช่เราดูไปเห็นความอยากมันเหมือนโซ่มากระชากใจออกมาใช่<ห>ใช่นะนั่นแหละมันเป็นเจ้านายเรานะใจก็ตกเป็นทาตความอยากเป็นเจ้านายกดขี่ตลอดเวลาสั่งทั้งวันเลยดูออกไหมนะสั่งให้ดูสั่งให้ฟังสั่งให้คิดนะสั่งให้อยากได้รรถสั่งให้หนีการกระทบอันนี้หาการกระทบอันนี้สั่งทั้งวัน ถ้าเห็นตัวนี้จะเห็นแต่ทุกข์แต่เวลาการเจริญปัญญาเห็นทุกข์มากๆนะก็ต้องรู้จักพักบ้างนะเวลาพักก็ส่วนมลไปพุโทโธพุโทโธไปก็ไดนะ้ให้ใจพักบ้างเจริญปัญญารวดไปเลยจะเหนื่อยเกินนะถ้าได้พักบ้างก็ใจจะมีแรงการพาวนาก็จะง่ายออวันก่อนทานข้าวอยู่ครับเห็นความอยากกินครับ แล้วก็กายมันหิวมากแล้วมือมขยับไปเองครับใจมันเห็นว่ามือมันขยับเองแล้วใจมันก็ยิ้มออกมาไดอนล้วแหละพอมันเห็นความจริงนะแจมจะเบิกบานนะทีมันเห็นกระทั่งเห็นจิตนะเห็นจิตมันทํางานเองไม่ใช่เรานะโหจิตมันเบิกบานมากเลยมันเบิกบานได้เองด้วยนะดีแล้วละเห็นใจมันมันมันไปคว้าเอา เอารูปมาปรุงในใจอะครับอพอเราเห็นว่ามันไปคว้ามันมันก็เบาลงครับแต่มันยังปรุงอยู่มันก็ค่อยจางครับมันยังไม่พอต่อไปมันจะเห็นนะว่าทุกคราวที่เกิดความอยากความทุกข์ก็จะเกิดแต่ว่าแรกๆอะมันจะกลายเป็นปฏิเสธไม่อยากให้มันอยากนะเมืเสร็จแล้วก็เพราะว่าห้ามมันไม่ได้แต่ว่ามันจะอยากนะแล้วก็ทุกอยากแล้วก็ทุกนะ ดูซ้ำๆๆไปพอเหนื่อย <_ d ata> ก็พักซะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรไปมีแรงแล้วก็กลับมาดูต่อคือจุดหนึ่งจิตมันจะวางของมันเองไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอก <_ d ata> ดีผมนั่งสมาธิแล้วจิตมันไปเห็นจิตอื่นๆมาใกล้ๆแล้วมันกลัวเ <_ d ata> อืนนั่นแหละเวลาเรานั่งแล้วเราไปรู้ไปเห็นนะ อันนี้พอเราไปรู้ไปเห็นแล้วเนี่ยเราอย่าไปตามมันไปให้เราย้อนมาดูที่จิตอย่างเว่าเรานั่งสมาธิอยู่เห็นผีโผล่ขึ้นมาใจเรากลัวอย่าดูที่ผีให้ดูใจที่กลัวนะให้กลับมาที่ใจพอความกลัวขาดปุ๊บไปย้อนออกไปดูใหม่ถ้ามันเป็นผีที่จิตสร้างขึ้นมันจะหายไปแล้วแต่ถ้ามันเป็นผีตัวจริงมันก็จะยังอยู่นะนะถ้ามันกลัวอีกเราก็ดูใหม่นะ ตัวจใจหายกลัวแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอะไรไปเนะวลาภาวนาแล้วเจอผีนะตอนที่เจอเนี่ยจะไม่กลัวเท่าไหร่หรอกส่วนมากจะกลัวตอนหลังนะตอนที่คิดขณะที่เห็นเนี่ยจิตทรงสมาธิอยู่ไม่กลัวอะไรหรอกจนะมากลัวทีหลังจาจิตเคลื่อนออกจากสมาธิแล้วนะบางทีภาพผีหายไปแล้วหนะวาดเสียวเลยไม่ไปซ่อนอยู่ตรงไหนหวนะซ่อน กลัวมากเลยนะมุดใต้โต๊ะมาอยู่ใต้โต๊ะหรือเปล่าอะไรเนะี่ยต่อไปไม่ว่านิมิตอะไรเกิดขึ้นนะให้ย้อนมารู้ทันจิตจิตดีดีให้รู้ทันจิตดีร้ายให้รู้ทันจิตกลัวก็ให้รู้ทันนะนิมิตไปเห็นดอกไม้หเห็นสวรรค์เห็นอะไรใจชอบรู้ว่าชอบเนี่ยนิมิตไปเห็นผีใจกลัวรู้ว่ากลัวนะอะไรเกิดขึ้นกลับมารู้ทันใจคุณครับ วสการของหลวงพ่อก็จิตตื่นเต้นครับครับก็สติเกิดได้เองในทุกวันนะครับส่วนใหญ่แต่ว่ามันไม่เดินปัญญาขันมันแยกไหมก็รู้สึกขันแยกครับตัวถ้าขันแยกแล้วแล้วมันไม่เดินปัญญานะก็คิดพิจารณาเหมือนครูบาอาจารย์วัดป่าเนี้ยทำสมาธิมานะทีน้างสมาธิมากจิตรวมลงไปร่างกายหายไปเลยพอถอยออกจากสมาธิมามันมีร่างกายมันเห็นกายกับจิตเนี่ยคนละนกัน แต่ว่าไม่เดินปัญญามารู้ตัวเฉยอย่างเงี้ยนะทำอะไรก็รู้อยู่เฉยๆอยท่าน ถ, าถึงให้คิดพิจารณาเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดมองความเป็นไตรลักษณ์เพราะงั้นถ้ามันไม่เดินปัญญาก็ ค, าคิดพิจารณาเอาติดปัญหาอย่างอื่นได้ไหมครับไม่เท่าไหร่หรอกนะตอนนี้ดีกว่าเก่าอีกเจอกันแต่ก่อนยังสู้ตรงนี้ไม่ได้นะสังเกตไหมตัวนี้ฟุ้งซ่านกว่าแต่ก่อนอาใช่ครับดีถ้าจิต ไม่เคยฟุ้งซ่านเลยไม่เดินปัญญาหรอกรจิตที่เดินปัญญากับจิตฟุ้งซ่านะครับเส้นกันนิดเนี้ยคือถ้ามันฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วมีสติเนะี่ยมันก็เกิดปัญญาถ้ามันฟุ้งซ่านแล้วไม่มีสตินะก็ก็เป็นอกุศลไปฟุ้งซ่านไปนอกจากจงใจคิดแล้วใช้การเคลื่อนไหวก็ได้อะไรนะนอกจากจงใจคิดแล้วใช้การเคลื่อนไหวเคื่นไหวก็อย่าไปหวังว่าจะดีนะถ้าเราเคลื่อนไหวแล้วหวังว่าจะดีย้อนน้อยอย่างนี้มันจะไม่ดีนะถ้าเคลื่อนไหวนะมันเคลื่อนไหวอยู่แล้ว ดังนั้นเคลื่อนไหวไปทํางานไปอะไรไปแล้วก็เห็นขันมันทํางานไปนะถ้ามันเห็นแล้วใจซื้อบื้ออยู่ก็ช่วยมันคิดนิดหน่อยการพิจารณาไม่ทํามากทําพอกระตุ้นให้จิตหัดมองความเป็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันเท่านั้นเองนะในความเป็นจริงแล้วตัว ต, วตนไม่มีนะแต่อาศัยสัญญาการหมายรู้ผิดๆเรื่อสัญญาวิปัลาดไปหมายรู้ของไม่ใช่ตัวใช่ตน ว, ว่าเป็นตัวเป็นตนต เป็หมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเป็นหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าว่าเป็นสุขมันหมายรู้ผิดตลอดอย่างเราเห็นว่าร่างกายเราเนี้ยสุขบ้างทุกข์บ้างรู้สึกไหมร่างกายเนี้ยสุขบ้างทุกข์บ้างเนี้ยเป็นสัญญาทวิปิลาศในความเป็นจริงแล้วมันไม่สุขหรอกมันทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพอมีสัญญาวิปิลาศก็เกิดจิตตะวิปิลาศการคิดที่ผิดนะคิดที่ไรมีเราคิดทุกข์ดีเลยนะให เ, เกิดการคิดผิดสุดท้ายก็ได้ความเห็นผิดได้ทิฏฐิวิปิลาศขึ้นมา เพราะอาศัยสัญญาที่ถูกนะหมายรู้ให้ถูกแต่ทีแรกมันไม่ยอมหมายรู้ก็พามันคิดพามันพิจารณาให้มันหมายไปนะนี่พอมันหมายรู้ได้เองแล้วเราไม่ต้องไปจงใจทําไม่ต้องไปคิดต่อเราดูของจริงเลยการพิจารณาเนี่ยเอาไว้ใช้เป็นอุบายนะให้จิตไม่ติดเฉยให้จิตเดินปัญญาเมื่อจิตเดินปัญญาแล้วไม่คิดให้รู้อย่างที่มันเป็นนะ โอกาสต่อไปนะคะมิจติธรรมที่นำเครื่องธยาธรรมมาถวายพร้อมจตุปัจจัยนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวถวายกรุณากล่าวพร้อมกันค่ะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยธยาธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้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 สาธุรับผ่อนะยะถาวาริวาฮาปุราปริภุเรนตีสาครังเอวเมวะอีโตทินังเปตานังอุปกระปติอิชิตังปิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยะถาเมณิโชติรโสยะถา สพีติโยวิวัตชนตุสัพโรคโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุทธาปัจจายโนจตารธรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพานุโมทนากับท่านผู้จัดนะ เวลานิมนต์หลวงพ่อไปเทศน์นนะั้นน่าสงสารเหนื่อยนะงั้นพวกเราได้ประโยชน์จากเขานะพวกเราอนุมโมทนาเขาหน่นะ mm. ช่วยอนุมโมทนาทีมที่เขามาถ่ายรูปหน่อยนะนะพวกเนี้ยทำวีดีโอทำอะไรนะทำแจกนะไม่มีค่าจ้างอะไรหรอกหลวงพ่อไปก่อนนะ